การเจ็บป่วยเป็นเรื่องผิดปกติหรือเมื่ออาตมาเทศอาตมามักจะขอให้ผู้ฟังยกมือขึ้นถ้าเขาเคยเจ็บไข้ได้ป่วยเกือบจะทุกคนยกมือพวกที่ไม่ได้ยกอาจจะหลับ หรือไม่ก็เพลินอยู่ในจินตนาการนี่พิสูจน์ว่าการเจ็บป่วยถือเป็นเรื่องปกติจริงๆแล้วมันจะเป็นเรื่องแปลกมากหากเราจะไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นครั้งเป็นคราวอาตมา จ, จึงถามว่าแล้วทำไมเวลาเราไปหาหมอเราจึงมักจะพูดกับหมอเหมือนกับว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับเรา มันน่าจะผิดปกติก็ต่อเมื่อเราไม่เคยเจ็บป่วยเลยตั้งหากดังนั้นผู้ที่มีเหตุผลน่าจะกล่าวว่าเกิดเรื่องปกติขึ้นอีกแล้วครับคุณหมอผมป่วยอีกแล้วเมื่อใดที่เราเห็นว่า การเจ็บป่วยเป็นเรื่องผิดปกติเราได้เติมความกดดันที่ไม่จำเป็นแม้กระทั่งความรู้สึกผิดลงบนความทุกข์ในนวนิยายสมัยศตวรรษที่19เเรื่องเอวอนผู้แต่งคือแซมมวลบัตเลอร์ได้วาดภาพสังคมที่โรคภัยไข้เจ็บ ถือเป็นอาชญากรรมและคนป่วยต้องโดนลงโทษด้วยการจำคุกในบทความที่น่าจดจำตอนหนึ่งชายผู้เป็นจำเลยสูดน้ำมูกและจามในคอกจำเลยเขาโดนผู้พิพากษาดุดาราวกับผู้กระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก ที่เขายือนอยู่ต่อหน้าผู้พิพากษาขณะที่เขาเป็นวัดมันเป็นความผิดของเขาทั้งหมดที่เขาไม่รู้จักดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเขาจึงถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลาหลายปีในชีวิตจริงมันก็ไม่เป็นเช่นนั้นหรอกแต่คนจำนวนไม่น้อยก็รู้สึกผิด เมื่อเขาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราสักกี่คนที่ถูกชักนำให้รู้สึกผิดเมื่อเราไม่สบายพระองค์หนึ่งอาพาธโดยไม่รู้สาเหตุอยู่หลายปี ท่านใช้เวลาวันแล้ววันเล่าอาทิตย์แล้วอาทิตย์เล่าอยู่บนเตียงตลอดเวลาอ่ อ, อนเพลียเกินกว่าจะเดินออกไปนอกห้องได้ทางวัดพยายามช่วยเหลือท่านทุกวิธีทางทั้งรักษาทางการแพทย์สมัยใหม่รักษาแบบดั้งเดิมหรือทางเลือกอื่นๆแต่ทุกวิธีการดูจะไร้ผลท่านรู้สึกว่า ท่านก็ยังชั่วออกไปเดินโซเซนอกห้องเพียงเล็กน้อยแล้วก็สุดหนักไปอีกหลายอาทิตย์หลายๆครั้งที่เราคิดว่าท่านจะตายวันหนึ่งท่านเจะาอาวาสผู้เปลี่ยนไปด้วยปัญญามองปัญหาทะลุท่านเดินไปหาพระอาพาธที่ห้องพระอาพาธซึ่งนอนอยู่บนเตียง เพ่งมองท่านเจ้าอาวาสอย่างสิ้นหวังสุดๆท่านเจ้าอาวาสกล่าวว่าผมมาที่นี่ในานามพระและแม่ชีทุกองค์ในวัดนี้และในานามอุบาสุกอบาสิกาผู้อุปทากพวกเราด้วยในานามของทุกๆคนที่รักและห่วงใยท่านผมมาเพื่ออนุญาตให้ท่านละสังขารได้ ท่านไม่ต้องพยายามที่จะหายหรอกได้ฟังถ้อยคาเหล่านั้นแล้วพระผู้อาพาธถึงกับร้องไห้ท่านพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะหายเพื่อนๆนของท่านต้องลำบากนักหนาที่จะพยายามช่วยรักษาร่างกายที่เจ็บไข้ได้ป่วยของท่าน จนท่านไม่สามารถจะทำให้พวกเขาผิดหวังได้ท่านรู้สึกว่าท่านล้มเหลวและรู้สึกผิดที่ไม่สามารถจะหายได้ <lamb ing popularity> เมื่อได้ฟังคำพูดของท่านเจ้าอาวาสในทันใดท่านรู้สึกเป็นอิสระที่จะเจ็บป่วยและแม้แต่จะตาย ท่านไม่จำเป็นต้องต่อสู้อย่างหนักเพื่อจะพยายามทำให้เพื่อนเพื่อนพอใจอีกต่อไปแล้วความรู้สึกว่าท่านได้รับการปลดปล่อยเป็นเหตุให้ท่านพร้องให้โยมคิดว่าอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้ล่ะ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาท่านก็เริ่มค่อ ย, อยงชั่วขึ้นเ ร, เรื่อยๆ